เพราะความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลปงปโปทยานกำลังนำเสนอคุณความเป็นสมณะหรือคุณจากการบวชซึ่งเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นคุณจากการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัททั้งหลายตามในยาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตร สูตรที่วัดด้วยผลของความเป็นสมณะตามคำกราบบางคนบางกรมทูลถามของพระเจ้าอาชาตสุรตรูก็แสดงมาถึงเรื่องของสันโดษในข้อต่อไปรับสั่งว่าพิสูจน์นั้นประกอบไปสีละขันคือกองแห่งศีลอินทรียสังวรสติสัมมชัญญา และสันโดษอันเป็นอริยะเชตนนี้แล้วคือหลักธรรมทั้งหมดที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั้นสรุปรวมแล้วทรงเรียกเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอริยธรรมคือธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นพระยะเป็นการปฏิบัติในตายขึ้นมาเป็นรูปของศีลที่ประณีตขึ้นเราจะเห็นว่าศีลลขันธ์กองแห่งศีลนั้นก็เป็นศีลโดยตรง แต่พอถึงอินทสียสังบอนเป็นศีลที่ประนีตขึ้นคือในแง่ของความเป็นองค์มรรคก็อยู่ในสมาวิยามากคืออยู่ในส่วนจิตสิกขาแต่ว่าสําหรับพระภิกษุแล้วก็ถือว่าอยู่ในจตุ ป, ปาริสุทธิที่หรือปาติโมกสังบอนอินเสียสังบอนธรรมชาตบ้านก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ประนีตเพราะความเป็นอริมรรค ในส่วนของจิตสิขาดังกล่าวและความมีสติสัมปญญาที่ทรงเน้นในช่วงแรกเป็นการเน้นถึงสติสัมปญญาที่ใช้ไปในยาบทต่างๆหมายความว่าการเคลื่อนไหวทุกอย่างนั้นถูกกากับด้วยสติและสัมปญญาสันโดตเป็นหลักการในการครองชีพ โดยเน้นไปในสองเรื่องคือสันโดษในปัจจัยทั้งสี่นั่นแหละแต่ว่าเน้นที่สองเรื่องคืออาหาระบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องแล้วก็ผ้าจีวรเป็นเครื่องบริหารกายส่วนเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ที่จริงก็บริหารกายแล้วก็ยากแก้ไขก็บริหารท้อง เวลาประสบโรคภัยค่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้เน้นก็ถือว่ารู้กันโดยนายะว่าสันโดดนั้นหมายถึงสันโดนในปัจจัยสีเป็นการปรับสภาพจิตตนเองให้พร้อมที่จะน้อมไปเพื่อหาความสงบจากนั้นก็ทรงแสดงว่าภิกษุนั้นยอมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่า โคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่ า, ป, า, าป่าช้าป่าชักที่แจ้งหลงฟางในการภายหลังพัดคือหลังอย่ารับประทานอาหารเนี่ยตามปกติแล้วมักจะง่วงนอนแต่ว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธสาวกนั้นคือหลังรับประทานอาหารแล้วก็ต้องเอาชนะความง่วงนอนได้ โดยกายบำเพ็ญเพียรทางทางจิตก็รับสั่งว่าเธอกลับจากบินระบัดแล้วคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี้ก็เป็นหลักการเป็นรูปแบบในการเจริญสมถกรรมฐาน่เราจะเห็นว่าแม้จะเน้นไปที่จิตเป็นเรื่องใหญ่ แต่ว่าการทางกายก็มีความสำคัญเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนให้จิตก็ดำเนินไปได้นั่งคู่บันลังตั้งกายทรงดำาลงสติว้เจ้าพอหน้าเป็นสูตรนะฮะคือคือหมายความว่าเวลารับสั่งแสดงการเจริญสมถะกรรมาฐานแล้วจะใช้คำเหล่านี้เรียกว่าซ้ ำ, ซำ ก็ เ, เป็นหลักการปฏิบัติที่มันช่วยให้กายมันตรงแล้วก็นั่งได้ทนเมื่อกายไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาจิตก็น้อมนำเข้าหาความสงบได้ง่ายดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือตั้งสติ ล, ลึกอยู่แล้วก็วิเคราะห์ที่จิตตัวเอง เป็นวิธีการือประการหนึ่งนะครับือตรวจสอบภายในตัวเองแต่ถือว่าเป็นอุบายวิธีประการหนึ่งในหลายๆวิธีคนะือไม่ควรจะไปยึดติดในรูปแบบว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เส ม, มอไปพอเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ก็ตามนะฮะขอให้กิเลสมันลดก็แล้วกันในที่นี้ก็สอนให้ ทำชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งในโลกจนมีจิตปราะศะจากความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งในที่นี้ตันใช้คำว่าอภิชาเป็นอาการของโลภะคือเพ่งเล็งโลภอยากได้ในพวกวัตถุกรรมทั้งหลายรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้อง เรวก็มองเห็นโทษของอาการเพ่งเล็งอย่างนั้นเราจะเห็นว่ายังไม่มีอะไรในใจเราก็ขุนใจเราก็เศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าเพ่งเล็งมากขึ้นโอกาสที่จิตใจจะ ก, กำเริบจนถึงแปรผันแล้วก็รู้อำนาจแก่โลภะที่บังเกิดขึ้น จนถึงไปฉกชิงวิ่งราวสิ่งต่างๆที่เป็นสมบัติของบุคคลอื่นก็ได้อย่างพฤติกรรมของโจรทั้งหลายแต่ถ้าคนเราปฏิบัติเดินมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแตยว่าจิตใจจะไม่สงบมันเป็นอาการระดับมนุษทุจริตแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติผ่านขั้นตอนมาตามลำดับ มาชั้นนี้เป็นอาการของมนุษย์ทุจริตคือละมนษทุจริตโดยการไม่เพ่งเด้งโลภอยากได้แล้วก็ดูจิตว่ามีความเพ่งเด้งโลภอยากได้หรือหม่ถ้ามีก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วความเพ่งเด้งโลภอยากได้ที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นโดยเหตุใดก็ให้รู้ถึงเหตุนั้นความเพ่งเด่งโลภอยากได้ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถ ล่าได้ด้วยเหตุโดวยวิธีใดก็รู้วิธีนั้นก็ทํากันไปทํานองคล้ายๆกับขัดพาชนะที่มันมีสนิมมีส่วนสกปรกอยู่เราก็ขัดกันไปอย่างนั้นน่ะขัดไปดูไปขัดไปดูไปถูไปดูไปถูไปดูไปจนกว่าสนิมหมด ภาจะนสะอาดสวยงามก็ถือว่าถูกต้องและจากนั้นก็ขาดในส่วนนือดืนต่อไปในที่นี้ก็ทรงเอาพวกสามข้อหลักเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นเป็นแนวคือไม่ลบไม่กดไม่ลงแต่ว่าเป็นพูดเป็นการพูดถึงเนคมะรสังกปปะปยาปาเดสังกปะวิงศาสังกปะ ที่การมองในแนวก็คือการพยายามดึงจิตตนออกจากกิเลสกรรมดูจนเห็นว่าจิตนั้นมันปราศจากความเพ่งเล็งโลภอยากได้ก็แสดงแสดงว่าสงบไปเรื่องหนึ่งเพราะเป็นการปฏิบัติระดับบริหารจิตมันไม่ถึงก็หมดหรอกเพียงแต่ว่ามันเกิดความสงบสงบลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะจน ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นกุศลละธรรมประเภทที่สรงกันข้ามกับพวกนิวรณทั้งหลายแล้วกด็ดูเรื่องพยายามชำระ จ, จิตละความประทุษร้ายคือพยาบาทบัแล้วก็ไม่คิดพยาบาทบั พยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะเป็นกิเลสประเภทไม่ชอบคือมุ่งปัทุสรายอาฆาตพยาบาทจงเวรจงพรานล้างพรานทำลายล้างก็แล้วแต่มันจะแรงขนาดไหนเพราะกิเลสประเภทนี้จะมีชื่อเรียกเยอะเป็นการเรียกตามความเข้มข้นของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นๆ เช่นอรติความไม่ยินดีปฏิฆาความหมงุดหงิดโกธะความโกโรธโทสะความมตุสลายอาฆาตความอาฆาตพยาบาทจงร่างจงพลานอไรต่อะไรคือทั้งหมดเด่นที่จิงมาเป็นโทสะดยกันแต่ในที่นี้เน้นที่ความคิดประเภทระดับพยาบาทเพราะพยาบาทกับอาฆาตเนี่ยมันก็คือกัน จิตใจมันจะสายไปที่จริงก็เป็นเรื่องความคิดล้วนๆจิตมันสายไปถึงอารมณ์ใน่ดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างเช่นไปตำหนิว่าคนนี้ได้เคยทำอันตรายแกเราคนนี้ได้เคยอันตร์ทำอันตรายแกญาติพี่น้องของเราคนนี้ได้เคยทำประโยชน์แกศัตรูเราแล้วก็ปลุกอาฆาตพยาบาด บางครั้งก็ไปคิดว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราคนนี้กำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดอาคารพยาบาทหรือบางครั้งก็ไปอนุมานเราเองไปประมาณการเราเองไปปรุงคิดคิดปรุงเราเองว่าต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเรา อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดอาคาปรปยาบัติว่าเจนว่ากิเลสประเภทนี้มันจะร้อนมันจะเผาหลุนก่อเกิดความเราร้อนเป็นกิเลสประเภทโทสักคีคือไฟคือโทสักร้อนมากร้อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุที่เรากำหนดและสภาพจิตที่เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือมองดูให้เห็นตัวพยาบาทที่มีอยู่ภายในจิตแล้วก็พยายามมองสลายพยาบาทให้กลายเป็นความไม่พยาบาทจนถึงจิตไม่คิดพยาบาทในตัวนี้เราจะเห็นว่าถ้าธรรมะก็องค์ธรรมก็คือเมตตานในข้อแรกก็าอาจจะพูดประกา ร, รมาสังวร หรือถาหากว่าเป็นทานเป็นจากฆะไปก็ยิ่งดีแต่อย่างน้อยถ้าระดับของกาลมาสังวรหรือสมบูรณ์ระวงในกาลมันก็บันเทาก า, า, ากาลมาลาฆะโลภะลงไปได้ประการต่อไปนั่นก็มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงความกรุณาตรงกันข้ามกับวิหิงสาตรงนี้เป็นอาหิงสาคือความไม่เบียดเบียน นักผู้ฟังที่เคยอ่านเรื่องกุศลกรรมบทมาคงจะนึกได้ว่าตอนนี้ก็คือเนคขมะสังกปะอัพยาปะเดสังกปะวีองสาสังกปะก็คือสมารสังกปะนั่นเองก็เป็นอริมัชข้อปัญญาสิกขาเป็นเน้นที่การใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษของฝ่ายกิเลสโดยเห็นคุณของฝ่ายธรรมะและพยายามเสริมคุณ มันเพิ่มขึ้นภายในจิตใจจนมีความกรุณาต่อสัพสัตทั้งหลายแน่นอนในชั้นต้นก็ค่อยๆขยายไปคือเราจะให้กรุณาแกสัพสัตว์หมดสิ้นก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าค่อยๆขยายไปคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสลายกันในแต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเป็นส่วนของความไม่พยาบาทก็คือส่วนของเมตตาจิตนั่นเองกรุณาชานั้นใช้ในกรณีที่สัตว์เขาประสบความทุกข์เช่นตามปกติแล้วจิตใจของมนุษย์นั้นมีวิหิงสทธาคือธาตุของความเบียดเบียน ชอบซ้ําเติมชอบดูความรุนแรงชอบดูความพินาศย่อยยับของคนของสัตว์ทั้งหลายดูข่าวคร า, าวต่างๆที่ปรากฏในบ้านในเมืองนะครข่าวที่เกินการทําลายล้างเบียดเบียนล่างแพานกันแล้วสื่อสารมวลชนเขาชอบนําเสนอข่าวที่เป็นการสร้างสารรค์พัฒนาให้จิตใจอบอุ่นหน้าเขาหาความสุขความสงบความเยือกเย็นกันอยู่ร่วมกันหรือความเป็นมิตรสนิทสนมนั้นก็ไม่ไปนําเสนอหรอก วันบ้นเมืองเราจึงไม่ค่อยจะสงบแม้เหตุการณ์มันไม่ค่อยมากอะไรเท่าไหร่แต่ก็สื่อออกมาระเลงกันโนย์นรู้สึกมันเยอะแลยกันอย่างข่าวคราวเกี่ยวกับพระเนี่ยนานนา น, นานทีปีหนหน้ะโผล่ขึ้นมาสั ก, กลรนะัคือถ้าเราคิดเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรอก มันอยู่หลังจุดอ่ะเธอจุดเท่าไรเราก็ไม่รู้ไม่เคยทำตัตัวเลขสถิติเอาไว้แต่ว่าเขาก็ชอบเล่นข่าวในลักษณะ น, นี้กิจกรรมที่เป็นกุศลเป็นภาราหน้าที่เป็นธุระของท่านที่ท่าจัดท่านรำตอทั้งกลางวันกลางคืนนะฮะก็ทำกันเนยอะไม่มีการพูดถึงอ่ะไม่มีการรายงานนั่นคือแสดงถึงว่าอาการของวิหิงสาก่ควกับเบียน อาการกรุณาจะเกิดขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ไงก็ตามคนจะต้องใช้ความพยายามเพื่อสร้างกรุณาจิตให้บังเกิดขึ้นจนมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงคือหมายความว่าสัตว์ประสบ ท, ทุกข์ภัยโรคเนี่ยขอให้พ้นจากทุกข์ภัยโรคในกรณีใดที่ขวนขวายด้วยกายด้วยวาจาได้ก็ทำ แต่กรนีเน้นกรณีนีน้เน้นที่การตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นสัตว์เหล่านั้นหลุดพ้นจากทุกจากภัยจากโรคจากอันตรายทั้งหลายก็สรุปรวมแล้วก็คือเป็นภัยนะและจากนั้นก็เป็นที่น่าสังเกตว่านิวรณห้าประการเนี่ย ก็ทรงแสดงโดยละพวกกรรมละอภิชานะฮะความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในช่วงแรกละความเพ่งเล็งโลภอยากได้แล้วกระทําจิตได้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งโลภอยากได้ละความปุถุสไยคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทแล้วก็มีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเนี่ย เป็นการแสดงถึงความไม่มีนิวรสองข้อแรกคือการมฉันดะนิวรจิตที่เหนียวนึกสึกนึกด้วยความกำหนัดรักใคร่พอใจะยินดีเพื่อเพลินชื่นชมในวัตถุกรามทั้งหลายแล้วก็พยาบาทนิวรความอาฆาตพยาบาท ส่วนการุณานั้นที่จริงก็เป็นอาการต่อเนื่องมาจากอภยาบาศคือความไม่พยาาบาศคนเราถ้าเราไม่พยาาบาศเขาเมื่อเขาประสบทุกเราก็เกิดการุณาต่อเขานะเป็นปกติธรรมดาเราจึงเห็นวุหานในการเทศของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเทศนาที่หลากหลายด้วยวูหารต่าง มันถ้าเราอ่านมากๆแล้วเราจะไม่ค่อยเถียงอะไรกับใครเพราะว่ามันเป็นปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งปริยายหนึ่งอย่างวันก่อมีการประชุมเรื่องพิพิธภัณฑ์ที่พุทธมณฑลคือมันนึกถึงว่าไอ้ดอกโบซีเหล่าเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเป็นหนังสือรุ่นหลังเขาพูดแต่ถ้าเราจะทําจนขนาดเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันน่าจะไปยึดหลักไประวัติบิดก รลอก็ติงขึ้นสองประเด็นนะฮะประเด็นหนึ่งก็บอกว่าดอกบัวนี่พระพุทธเจ้าส่งประรบจริงจริงมันอยู่สามดอกแต่นั้นเองไม่ได้มีดอกที่เป็นพักษาแห่งปลาและเต่าเพราะนั้นก็ขอให้ไปศึกษาดูว่าถ้าเราจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นนิทรรศการแสดงให้เด็กเขาดูเนี่ยเราจะเอาตามมาติของพระ อ, ราอาจารย์หรือจะเอามาติของที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อันนี้ก็คือคือเรื่องที่ที่เป็นการให้เห็นว่าปริยายทั้งสองที่จริงก็ถูกมันไม่ใช่ผิดหรอกปริยายสามดอกนั้นเป็นนัยยะที่ทรงประลบ ก, ก่อนที่จะตัดสินพระไทยประกาศธรรมะที่ทรงศัตรูแก่ชาวโลกแต่ว่านัยยะที่เป็นดอกบัวสีเหล่านั้นเป็นวาทะของพระอาจารย์รุ่นหลัง ก็น่าจะไปเทียบเคียงกับเรื่องบุคคลสีพวกปะทับประมะณ์นั้นก็คงหมายถึงว่าเป็นดอกบัวที่เป็นภกษาของปาลาเล็ดเตา่าเราก็เรียนหนังสือพุทธวัติเรียนสืออะไรเราก็เจอสีเหล่ามันก็ถูกถูกในง่ที่โบราณาจารย์ดันแสดงเอาไว้แล้วก็ในแง่สังคมเนี่ยที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยแต่คนบางพวกนั้นพูดกันไม่รู้เรื่อง ปริยายนี้ทรงใช้คำว่าบุคคลสี่ไม่ได้ใช้คำว่าดอกบัวสี่ที่ชดอกบัวสี่พูดแค่ดอกบัวสามใช้บุคคลสี่นั่นใช้บุคคลสี่อุกติทันยูวิปปจิตันยูนยาปะทัปปะระมะแต่ว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ถูกถูกจากอะไรเพราะว่าปริยายของธรรมะอย่างเมตตากรุณาเนี่ยเขาเกี่ยวเนื่องถึงกัน หมายความว่าถ้าคนนั้นเราไม่เมตตาเนี่ยเขาประสบความทุกข์เราไม่กรูนะแต่จะกลายเป็นวิหิงสาหรือว่าถ้าเป็นศีเนหาเป็นความรักเนี่ยจะเป็นโศกนะฮะเช่นสมมติว่าคนที่เรารักมากแล้วก็ตกน้าตายเนี่ยเราช่วยไม่ได้นะเกิดกรณุณาแล้วก็ช่วยไม่ได้มันจะกลายเป็นโศกกะคือโศก แต่ว่าแนวธรรมะปฏิบัติจริงๆเนี่ยเมื่อเราทำอะไรไม่ได้นั้นมันต้องเป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้นปริยายตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าพอแสดงมาถึงครบสามข้อแล้วก็ไปขึ้นทีนมิทธาอุตจักุปุจักวิจิกิจแหละก็หมายความอองเหืนนกันบว่า ลาถีนมิธะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิธะถีมาถีนมิธะกับความวงงา่วงเห่าเห่านอนซึ่งซึมน้อหงอหดหูเครือบเครื่อนจืดชื่ อ, ช, อชาเยน็นเหนื่อยหน่ายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทรงสอนวิธีในการปฏิบัติมีความกําหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างเรียกอภิการคือเพ่งแสงสว่าง เพราะการง่วงนอนนี่ส่วนมากแล้วเราก็ลับดาจะอยู่ในอากาศที่มืดมืดนะในบรรยากาศที่มืดมืดสภาพผไปรอมที่มืดมืดในอากาศทึมๆนะโพราพระกล า, ลกล า, ากรุ่งกล้ยค่ำฝนกำลังจะตกแต่รทั้งไรเนี่ยมันชวนให้มุ่งนอนตลอดถึงรับประทานอาหารมากเกินไปจนทําให้ปราชญจากทีนิมิ tha มันก็ดูจิตที่ง่วงง่วงงเหมือนกัน แล้พยายามสลัดความงม่วงงนเหล่านั้นแล้วดูมาเรื่อยๆนะฮะมาถึงอุตจกขุบุจจก็แปลว่ามีความกําหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสมัมปชัญญะอยู่ย่จมจําหน้า จ, จิตได้บริสุทธิ์จิตนิมิตะได้ละอุตจกัจกขุบุจจได้เป็นผู้ไม่ฟุงรร้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายใน ยอมชำระจิต้บริสุทธิ์จากอุทาจากกุกุจักได้ละวิจิกิจชาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจชาไม่มีความคลางแคลงในกุศลนธรรมทั้งหลายอยู่ก็ยอมชำระจิตได้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาได้นี่ก็หมายความว่าเป็นการแสดงธรรมะปฏิบัติมาถึงระดับของที่จริงเป็นฌานแล้วนะฮะแต่พูดในส่วนละ พูดในส่วนราาของกิเลสแล้วก็ยังมีปริยายของธรรมะที่ส่งจําแนกแสดงในโอกาสต่อไปในแนวอุปมาอุปไมยคือเชีย่ยเห็นโทษและคุณของอโทษของการมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งครอบนําใจและคุณของการไม่มีนิวรณ์ครอบนําใจเพื่อกระตุน้นเตือนให้คนมีความกระตือร้นที่จะกระจัดนิวรณ์ออกไปจากใจอย่างที่ ภิกษุผู้มีสติสัมปญะญความเพียรได้ประพฤติกระทาประสบความสำเม็ดมาแล้วต้องฟังทั้งหลายแต่รมพพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญห้อ ง, งามไปบูรณนธรรมยังมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี